มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาเมนตกะปัญหาจะตุทวักวั น, นะพันนะปัญหาที่หนึ่งถามว่าไม่ให้ยินดีคำสรรเสริญเหตุอะไรจึงสรรเสริญยกย่องตัวเองเล่าพันเตนาคเสนะ ภาสิตังปิเจตังภควาตามะมังวาพิกเวปะเรวันนังพาเสยยุงธัมมัสวาสังคัสวาวั น, นังพาเสยยุงตัตตะตุมเหหิณะอานันโทณโนะสมนสังณนะเจตสาขุภิลาวิคตังกะรนิยันติอะทโคมิลินโธ ร, ราชาในลำดับนั้น สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาชาวสาขาลัทธะมีพระราชองค์การดำรสถามอัธปัญหากับพระนาคเสนต่อไปว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยยานปริชาพาสิตังปิเจตังพระควตาถ้อยคำอันนี้สมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสุนทรราศีสวัสดิภาค หากมีพระพุทธฎีกาตรัสพระส ธ, ธรรมเทศนาว่าพิกเวปะเร ว, วันนางพาเสยุงดูกะระภิกษุทั้งหลายอันว่าชนทั้งหลายเหล่าอื่นจะพึงพาสิทธ์กล่าวสรรเสริญซึ่งคุณแห่งเราผู้ตถาคตก็ดีแห่งพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งหลายอย่าพึงยินดีโสมนัสอย่าพึงมีจิตกำเริบด้วยอาการคือความสรรเสริญนั้น ใช่แต่เท่านั้นแม้ในพระมชาลาสูตรสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็ได้ตรัสเทศนาสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายในการเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่ระหว่างแห่งเมืองราชคฤื้และเมืองนาลันทาต่อกันครั้งนั้นก็ทรงสั่งสอนห้ามไม่ให้ภิกษุทั้งหลายยินดียินร้ายในนินทาและสรรเสริญและซ้ําสอนว่าดูกร ะ, ระภิกษุทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลายมีจิตชื่นชมยินดีในถ้อยคําที่ชนทั้งหลายกล่าวสรรเสริญซึ่งเราผู้ตถาคตก็ดีและยินดีโสมนัสในถ้อยคําที่เขากล่าวสรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีอันตรายจะพึงมีแก่ธรรมวิเศษคือฌานสมาบัตมิมรรคผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้โดยแท้นี่แหละสมเด็จพระศาสดาตรัตเทศนาห้ามปรามพระสงฆ์พุทธบริษัท มีให้ยินดีโสมนัสในความสันเสริญชนี้แล้วครั้นภายหลังเสลพราหมไปเฝ้าพระผู้ทรงพระภาคเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสสันเสริญคุณของพระองค์ให้เสลพราหมฟังอาณันทิโตมีน้ำพระทัยชื่นชมยินดีที่จะสันเสริญกำเริบที่จะสันเสริญเองและยกพระองค์ว่าเป็นพระยาธรรมราชอนุตตโรว่ายิ่ง หาสิ่งที่จะเสมอไม่ได้โดยยังพระธรรมาจากให้เป็นไปคือตรัสพระธรรมเทศนาโปรดเวไนนิกรเทพยดามนุสโลกโลเกอัปฏิวัติยังหาผู้ใดในโลกนี้จะปูนปานดุจพระองค์ไม่ได้นี่แหละพระพุทธองค์มาสรรเสริญพระองค์เองดังนี้ถ้าจะเชื่อเอาพระพุทธดีกาเดิมที่ตรัสว่าคนทั้งปวงสรรเสริญพระตถาคต และสัรเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งปวงอย่ายินดีอย่าให้จิตกำเริบไปในที่สรรเสริญนั้นถ้าจะเชื่อคำเดิมนี้คำภายหลังที่พระองค์ตรัสสรรเสริญพระองค์ให้เสลพรามฟังนั้นก็ผิดครั้นจะเชื่อเอาว่าพระองค์สรรเสริญพระองค์ว่าเป็นถึงพระยาธรรมราชไม่มีใครทั่วทั้งมนุษย์เทพาฟ้าดินที่จะเปรียบเสมอเหมือนหาไม่ได้ พระพุทธดีกาตรัสไว้เดิมว่าพิกเวดูกระสงทั้งปวงคนทั้งหลายจะสันเสริญตถาคตก็ดีจะสันเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งหลายอย่าปรีดาพระโมท ด, ด้วยสันเสริญอย่าให้จิตกำเริบที่จะสันเสริญตัวและอย่าให้ผู้อื่นสันเสริญตัวเลยคำนี้ก็ผิดส่วนสมเด็จพระพิชิตมานตรักอวยอ้างยกพระองค์เป็นอัครส า, าน เป็นถึงพระยาธรรมราชแล้วให้อวาดพระภิกษุทั้งหลายมิให้กระทาจิตวุ่นวายในความสรรเสริญกําเริบในความสรรเสริญเป็นอย่างไรจริงกระทมฉะนั้นอายังปันโโหอันว่าปัญหานี้อุพัโตโกติโกเป็นอุพะโตโกติตยาวิสัชโตพระผู้เป็นเจ้าได้โปรโดวิสัชนาในการบัดนี้เถโร ฝ่ายพระนาคเกษผู้ประกอบด้วยญาณปฏิสัมพิทาจึงมีเถระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรอบอพิษพระราชาสมภารคำเดิมที่สมเด็จพระโลกุตามาจารมีพระพุทธดีกาประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าถ้าชนทั้งหลายจะสันเสริญตถาคตก็ดีและสันเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดี ท่านอย่ายินดีในความสรรเสริญอย่าให้เขาสรรเสริญตัวท่านและท่านอย่าดูอย่างอย่าได้ทำจิตคิดกำเริบที่จะสรรเสริญตัวและให้ผู้อื่นสรรเสริญท่านสมเด็จพระโลกุตมาจารย์ให้อวาสชนี้และข้อที่ว่าสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้ากล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์อันเป็นยถาภูตะคือคุณมีจริงเป็นอุตริยิ่งกว่า อาหะมัสมิทุกวันนี้พระตถาคตเป็นพระยาธรรมราชอันเลิศนักนาตรัสเทศนาพระธรรมจากโปรดเวนยศัตร์ทั่วมนุษย์นิกรเทวดาโลเกอัปติวัตติยังหาใครผู้ใดที่จะปูนปานเปรียบเทียบมิได้นี้ก็ดีพระองค์จะตรัสเพื่อจะให้เกิดลาบเกิดยศและปรารถนาจะให้เขาอื่นนับถือมอบตัวเข้ามาเป็นสิทธ สแสวงหาบริวารก็หาไม่ได้พระองค์ตรัสด้วยอำนาจมีพระไทยอนุเคราะห์กรุณาเอื้อเฟื้อวังไว้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงทราบโดยแน่แท้ในพระกรมลสันดานว่าเมื่อพระองค์ตรัสนั้นความตรัสรู้ธรรมมาพิสมัยแทงตลอดยญายธรรมทั้งปวงจักบังเกิดมีแก่เซลพรามและมานพสามร้อยคน พระองค์จึงตรัสว่าดูการะเสลพราหมณ์ตถาคตนี้อนุต t ร r o เป็นผู้ยิ่งประเสรเิฐเลิศล้ำธรรมราชาตถาคตเป็นพระธรรมราชด้วยพระธรรมราดประพาสสั่งสอนประชาราษฎรด้วยกำหนดกฎ ด, ดีกาอันเป็นธรรมฉันใดตถาคตนี้เลิศไปกว่านั้นตรัสสั่งสอนมนุษย์นิกรและชาวสวรรค์ ด้วยธรรมมาจากกับประวัตนาะสูตรพระตถาคตนี้ประเสริฐนักหาผู้ใดใครจะเสมอเสมือนหาไม่ได้ในโลกนี้นี่แหละสมเด็จพระพิชิตมานโมลีมีพระพุทธดีกาตรัสชนี้เพื่อว่าจะให้เสรลพรามกับมนบสามร้อยคนได้รู้มรรครู้ผลธรรมวิเศษชนี้จึงตรัสสรรเสริญพระองค์ใช่จะนำซึ่งความมิจริงมาตรัส ด้วยหวังลาบยศและบริวารหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาได้ทรงฟังก็สิ้นสงสัยทรงพระโสมนัสมีพระราชโองการตรัสว่าสาธุพันเตนาฆเสนะข้าแต่พระหน้ากเกษณผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาดีแล้วสัมปติชามิโยมจะรับถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าจาไว เป็นข้อวัตะปฏิบัติแก่กุลบุตรทั้งหลายอันเกิดมาในอนาคตการภายหน้าในการบัดนี้วันณพนันปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้